สี่ป จ, จุปันนาติตะวาระอนุโลมบุคคลรอ s s nine, อ้อเก้าอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังค้ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิด อ, อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังเกิด สภาวธรรมที่เป็นอพยายหรือของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยกายหรือของบุคคลใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังคะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศเนสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอภยกายหรของบุคคลเหล่านั้นเคยดับ แต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยกายหรของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิดสองอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที <này> ่เป็นอัพยกายหรืของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยกายหรของบุคคลใดเคยดับ สภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังค้าขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอากุศลบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบาตุในอสัญญสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากเกฤตของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศนไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นอกุสน สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤึของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กำลังเกิดอนุโลมะโอกาตส 201. องรอหนึ่งอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมอนุโลมะปุขคโลกาตสองรอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด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 ในอุปาทัคขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กําลังเกิดอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภิยากริของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับ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 และสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิด203อนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภิยกระของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภิยกระือของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังค์ฆะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทขณะแห่งจิต ท, ที่วิปยุจจากอกุศนบุคคลผู้อุปาจูในอสัญญาสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศนไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิของบุคคลเหล่านาั้นในภูมินั้นเคยดับและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศ น, น, ก, ศนก็กำลังเกิดปัจเจเนกะบุคคลสองรอนุ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากริของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิ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 สภาวะธรรมที่เป็นอคุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีปัจเนกาโอกาส206อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมปัจเนกาบุคโอกาส207อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศนในบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิในพังฆะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิ ต, ตที่วิปยุจจากกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็ น, น, นอกุศลไม่ใช่ไม่เคยดับเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ สภาวธรรมทะ th th of of ane, temple, th future, ี่เป um ็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่เคยดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหม ในพังค์ขขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตต ภ, ภ, ภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุดทาวา่าสภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิก็ไม่เคยดับ ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัิยากฤิของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่สองอนุสภาวะธรรมที่เป็นอคุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิในพังค ข, ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากอกุศลบุคคลผู้อุปาจูในอาศันยสัตพภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุดทาวาสภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตก็ไม่เคยดับปฏิ สภาวะธรรมที่เป็นอัปยากฤิของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ 5. ปัป จ, จุปันนาน า, นาคตะวาระ อนุรวมบุคคลสองรอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกําลังเกิดสภา ว, ภวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในอุปทาทขณะแห่งอรหัตธรรมบุคคลจักได้อราหาัตมรรมในลำดับแห่งจิตใจในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับ ในอุปาทขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนอกนี้สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งจ <promotion UC> ิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอนาัยในสันนนตตพูมิสภาวธรรม ท, ท, ท, ท, ท, ท, ท, ท, ท, ที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลพวกกำลังเกิดอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ ปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลใดจักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังค์ขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัญใสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิด ในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอภยากลิ่ของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิดสองอสอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดกำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอภยากลิ่นของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยากลิ่นของบุคคลใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัคขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอกุศลบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกายหรของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลสภาวะธรรมที่เป็นอัภยกายหรของบุคคลเหล่านั้นจักดับและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็กำลังเกิด อนุโลมโอกาสอง1อสิออนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดกำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมอนุโลมปุขโคลกาตสองรอสอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในอุปาทภณะแห่งอาราธมัค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 บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศันยสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาท่าขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจัดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็กำลังเกิดสองอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด สภาวธรรมที่เป of of of of ็นอัพยากริยของบุคคลนั้นในภูม <worst> <dans S 2> ิน <scraping S 1> ั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังค์ฆาณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอกุศนบุคคลผู้อุปาอยู่ในอสัญญัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับ แต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็กำลังเกิดปัจเนกะบุคคลสองร้อยอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิ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 สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่จักดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ v. ในอุปาทัคณะแห่งอรหัตมรรมบุคคลจักได้อรหัตมรรมในลำดับแห่งจิตใดในอุปาทัคณะแห่งจิตนั้นสภาวะธรรมทีท่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับ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 สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปจเนกะโอกาสอง6อส น, นุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดาบใช่ไหมปัจเนกะปุขาโอกาสอง7อนนสิบเจอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมิ น, นั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในพังค์ฆขณะแห่ ง, งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมิ น, นั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักไม่ดับในพังค์ฆขณะแห่งอรหัตธรรมะอรหันตบ์บุคคลบุคคลจักได้อรหัตธรรมะในลำดับแห่งจิตใดในพังคขณะแห่งจิตนั้น บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัยใสัตพุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภู ม, มินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่จักดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทาขณะแหาา่งอรหัตมรักบุคคลจักได้อารหัตมรักในลำดับแห่งจิตใจ ในอุปาทขณะแห่งจิตนั้นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค์ขณะแห่งอรหัตมรักอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรักในลำดับแห่งจิตใดในพังค์ขขณะแห่งจิตนั้นบุคคลผู้อุบาติอยู่ในอ า, าศญยสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับ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 สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิในพังค์ขขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากอกุศลบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัยสัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตไม่ใช่จักไม่ดับ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 ตานาคตะวาระอนุโลมบุคคลสองอนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลงด้วยอรหัตมรรมและอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหัตมรรมในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็จักดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดจักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัปยากฤิของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิต สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิตไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้สภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกฤิก็จักดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกริ่ของบุคคลใดจักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่สองยี่สิอนุ สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังคขณะแห่งปัจติมจิตสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้สภาวะธรรมที่เป็นอคุสนของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิก็จักดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลใดจักดับ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุโลมะโอกาตสองรอยออนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอกุศลในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมอนุโลมปุขะโอกาตสองรยยีออนุสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด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 บุคคลนอกนี้ผู้อุบัตุในจัตโตวการะภูมิและปัญจะวกรภูมิสภาวะธรรมที่เป็น อ, อกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิดอนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤิของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังฆะขณะแห่งปัจฉิมจิตสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่สภาวธรรมที่เป็นอภยกฤิตไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุวการภูมิและปัญจโวโการภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอภยกฤิเพื่อจักดับปาฏิสภาวธรรมที่เป็นอภยกฤิของบุคคลใดในภูมิใดจักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคล ผู้อุบัติอยู่ในสุท้าวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุโวกราพูมิและปัญจโวกราพูมิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลก็เคยเกิดสองยยีอนุ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิษของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในพังค์ฆขณะแห่งปัจฉิมจิตสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิษไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้อุปาจูในจัตุโวกรภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวธรรมที่เป็นอคุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด และสภาวะธรรมที่เป็นอภยากลิ่นเกิดจากดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอภยากลิ่ของบุคคลใดในภูมิใดจากดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่มอจิต ด, ดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัยในสัตภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอภยากลิ่ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจากดับแต่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลไม่เคยเกิด บุคคลนอกนี้ผู้อุปัจจยในจตัตโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสภาวะธรรมที่เป็นอภยากายหรของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลก็เคยเกิดปัจจณิกะบุคคลสองอยี่สิบสี่อนุสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิไม่มีปฏิ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 เยกิดสองอหอนุสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลใดไม่เคยเกิดสภาวะธรรมที่เป็นอภิยากรกของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับมีไหมวิไม่มีปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอภิยากรกของบุคคลใดไม่ใช่จักดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศนของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปัจจเนียกะโอกาดสองรยยีอนุ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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้อุปาจูในอาัยในสัตตภูมิสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลก็ไม่ใช่จักดับปฏติสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหันตมรักและอรหันตบุคคลบุคคลจักได้อรหันตมรักในลำดับแห่งจิตใจในลำดับแห่งจิตนั้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับแต่สภาวธรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุปาจูในอสัญญาสัตวภูมิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและสภาวธรรมที่เป็นกุศลก็ไม่เคยเกิดอนุ สภาวธรรมที We, We ่เป็นกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤีโคงบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจักดับปฏิสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤีโคงบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวะธรรมที่เป็นกุศลของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดสองอยยีอนุสภาวธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด สภาวะธรรมที่เป็นอัพยาคลีของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิจักดับปฏิสภาวะธรรมที่เป็นอัพยาคลีของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดอุ ป, ปาทนิโรธวาระจบปวติวาระจบสภาวานาวาระสองอยี่สิ้า อนุบุคคลใดกําลังเจริญสภาวธรรมที่เป็นกุศลบุคคลนั้นก็กําลังละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดกําลังละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลบุคคลนั้นก็กําลังเจริญสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่ใช่กําลังเจริญสภาวธรรมที่เป็นกุศลบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลใช่ไหม วิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่กำลังละสภาวธรรมที่เป็นอกุศลบุคคนนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญสภาวธรรมที่เป็นกุศลใช่ไหมวิใช่ภาวนาวาระจบธรรมะยะมกกะจบ